วันนี้มาพูดกันถึงเรื่องพระพุทธศาสนาช่วยโลกจะรำคาญเต็มทีไหมดิฉันไม่ไงชอบพูดแต่พูดเรื่องเดียวทั้งนี้ก็เพื่อความเข้าใจคำท่านพูดรับฟังว่าที่โลกมีพระพุทธศาสนาขึ้นมานี้ไม่ใช่ว่าเป็นของไรประโยชน์ ล้าพระพุทธเจ้าทรงช่วยโลกให้มีความสุขแต่ว่าเป็นที่น่าสิ้นดายที่ชาวโลกไม่เคยยอมรับนับถือความช่วยเหลือขององค์สมเด็ จ, จะ ส, มสัมม า, าสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าถ้าโลกจะมีความสุขโลกชาวโลกทั้งหมดจงรู้จักยอมรับนับถือความดีของท่านผู้มีคุณ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 ให้มีชีวิตขึ้นมาได้ให้มีวิชาวความรู้บรรเทาความทุกข์ที่เราบันเกิดขึ้น <c oughs> เราก็พากันยอมรับนับถือความดีของท่านสำหรับบิดามันดาในวันก่อนได้พูดพาดมานิดหนึ่งในด้ด้ความกตัญญูโรคคน นี่ดามารดานี่ความจริงท่านมีคุณแก่ลูกมากถ้าว่าบรรดา ล, ลกูกบางทีจย่าลืมคุณของท่านสิคณได้เคยได้รับฟังฟังมาบ่อยๆว่าลูกมีความอกตันโยไม่รู้คุณท่านแม้แต่เรื่องเล็กน้อยบางทีการแบ่งปันทรัพย์สิน มีที่ดินที่มีที่ไม่สม่าเสมอกันแต่เรื่องของที่ดินนี่พื้นที่ะ้ห้ราบเรียบเสมอกันก็สามารถจะทำได้ในปัจจุบันแต่ถ้าว่าในสมัยก่อนไม่มีเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องทุนแรงทำไม่ได้เพียงแบ่งปันกันว่าคนนี้ได้ตอนนี้คนนั้นได้ตอนนั้นเพียงเท่านี้โลกทรรพี ที่ไม่รู้คุณพ่อคุณแม่ก็กลับจวงจากโจมตีบิดามานดาว่าไม่มีความยุติธรรมมีลักษณะของความเลวอย่างนี้พระพุทธเจ้ากล่าวว่าจงอยาคบคนนี้มีความประพฤติเลวแบบนี้ไม่ควรครบ้าไปครบข้าเราก็จะเลวไปด้วยโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งยาคบอารมณ์ของความเลวอย่างนี้ไว้ในใจ เขาไปกล่าวว่าพ่อแม่อาการตอพ่อแม่อากติไม่ยุติธรรมไม่มีความรักลูกรักไม่เสมอกันความจริงคำว่ารักไม่เสมอกันนี้ยังมีใช้คำว่ารักแต่มีหลายท่านบอกพ่อแม่ใช้ไม่ได้เป็นคนไม่ดีเพราะอะไรเพราะว่าแบ่งปันทรัพย์สินก็ไม่สมาเสมอกันก็พื้นที่ดินนิทัน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 รักมากกว่าพ่อรักมากกว่าแม่รักมากกว่าสามีและพัญยารักมากกว่าบุตรที่เราได้ไมาจากใครถ้าจะบอกว่าพ่อแม่ถ้าไม่ได้ตั้งใจให้เราเกิดเราก็เกิดมาเขาต้องขอประทานโทษว่าถ้ารู้ว่าเขาไม่ต้องการให้เกิดเราเสียเกิดมาทำไมเสียเกิดมาจะบ้ายเขาเดือดร้อน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 การที่ท่านต้องประคับประคองเรามาตั้งแต่อยู่ในคันมารดามีความลาบากต้องอดอยากทุกอย่างเพื่อลกูกทนุทน้องกายทุกอย่างเพื่อลกูกก็มีความรักในโลกเมื่อมารดามีคันแก่หนักทํางานไม่ไหวท่านพ่อคือบิดาก็ต้องทํางานเพิ่มเติมเมื่อจะคลอดแต่ละคราวมารดาเกือบจะต้องเสียงชีวิต พ่อก็ต้องเสียทรัพย์สินไปอย่างหนักเมื่อลูกออกมาแล้วความลาบากของพ่อของแม่นับตั้งแต่ลูกยังเป็นเด็กกินไม่ได้นอนไม่หลับครื่องเคลนนอนกําลังจะสบายลูกตื่นขึ้นมาร้องจ้าเมารัยบิดามดารดาก็าต้องตื่นถ้าลูกป่วยไข้ไม่สบายบิดามันดาก็มีความเดือดร้อนช่วยทุกอย่าง เป็นนั้นว่าบิดามัรดาเสียสละชีวิตทั้งตัวเพื่อลูกได้ทรัพย์สินทั้งหลายถ้าว่าท่านไม่มีลกูกท่านก็ใช้ก็ขึ้นตามสมบายพอมีลูกขึ้นมาแล้วทุกเสีงยงทุกอย่างอยากจะทําไว้เพื่อลูกทั้งหมดต้องเหน็ดเหนื่อยด้วยการทั้งปวงระมัดต์ระวังทุกอย่างการให้การศึกษาแก่บุตรก็ดิน้นรนโรงเรียนไหนดี แต่ต้องการไปโรงเรียนนั้นพาชนะไม่มีจัดหาค่าภาชนะใหม่ดีไม่ดีก็ต้องซื้อรถยนต์ให้เสียเงินเสียทองในการให้การศึกษาแก่ลูกไก่เจ้ามากเท่าไหร่ดีดามันดาไม่เคยบน่นแม้ว่าเวลาที่ลูกเกิดขึ้นแล้วหนึ่งคนสองคนคิดว่าทรัพย์สินทีม่มีนี้มันไม่พอก็ต้องหาสร้างต่อให้มันมากเกรงวันลูกจะลาบาก จริงท่านหลายเหล่านี้เป็นความเหน็ดเหนื่อยของบินดามารดาเสียสละทุกอย่างเพื่อลกูกเพราะนั้นว่าพูดกันง่ายๆเบาๆไม่ต้องพูดกันมากถ้าเราเองเป็นพ่อเป็นแม่เขาถ้านลูกมีความรู้สึกอย่างนี้บ้างเราจะมีความรู้สึกอยังไรจะมีความพอใจไหมองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงแนะนําว่าถ้านลูกจะเป็นสุข ก็ตนลูกจะต้องมีความกตัญญูรู้คุณที่บิดามันดาทําหน้าที่ของต้นเรียบร้อยแล้วฉนน้องตอบแทนบุญคุณท่านจงย่าสร้างความสะเทือนใจให้เกิดขึินับท่านถ้าว่าท่านไม่มีทรัพย์สมบัติทั้งหลายมอบให้ให้เลยเป็นทรัพย์ภายนอกก็ต้องคิดว่าชีวิตของเราละเลือดเนื้อทั้งหมดเราได้มาจากไหนได้มาจากหยาดงือแรงงานของท่าน แย่ถือว่าการเกิดมีดามันดาไม่ได้สนใจแต่ว่าเกิดมาแล้วท่านสนใจความดีของท่านตอนนี้จะไปทิ้งไว้ที่ไหนคนมาเพ่งอากตังยูไม่รู้คุณคนแบบนี้สมเด็จพระจินทร์ีบอกว่าเป็นคนเลวจงอย่าคบถ้าเราเข้าไปคบเมื่อไรเราเองก็ต้องตูวตอบสนองแบบนั้นเช่นกัน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 ว่าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ทรงแนะนำเรานะ่ะมันควรไม่ควรเพียงใดนี่ประการหนึ่งเรื่อการดีสองท่านบอกว่าจงยอมรับนับถือคนดีผู้มีอุปการะหรือว่าที่บาลีกล่าวว่าจงบูชาบอกคนที่คนบูชาคาว่าบูชานี่แปลว่ายอมรับนับถือ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 เพราะว่าถ้าว่ามิท่านมีความต้องการด้วยอาหารเราให้อาหารท่านต้องการในยา ร, ารกักาโรคเราให้ยา ร, ารกักาโรคเราท่านต้องการในการปฏิบัติเพื่อความอยู่เป็นสุขของท่านเราทำและยักล่าคําตอบไปว่าไม่มีการสนับสนุนโจรหรือก็บอกว่าไม่ใช่นี่เป็นการกระตันอยูแต่พ่อแม่ผู้มีคุณเราไม่ได้เป็นโจรด้วยเพราะเราไม่ใช่โจร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 อย่างถ้าครูบาอาจารย์อย่างนี้ก็ถือว่าท่านทำหน้าที่เฉพาะในการเป็นลูกจ้างจริงๆหรือว่นท่าประทัดรับใช้ถ้าครูบาอาจารย์ท่านใดสอนจำจี้จำชัยเราไม่รู้พยายามให้รู้ดีไม่ดีสอนบ่อยๆแล้วเราทำไม่ได้จลงโทษ้การลงโทษของท่านไม่ใช่ทำด้วยการอาคาด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 หรือว่าจะเป็นนั่งบูชาในฐานะที่ท่านเป็นขี่ค่าของใครเป็นท่ายของใครท่านจะเป็นท่านของใครท่านจะเป็นผูกจ้งของใครเราจะไปสนใจสนใจอย่างเดียวว่าความรู้ใดๆที่เราไม่มีแต่ครูบาอาจารย์สอนให้ต้องถือว่านั่นจริงความดีของท่านยอมรับนับถือยอมเคารพร บ, ร บ, รบนอกท่านในฐานะผู้ให้ความรู้ ถ้าหากว่าเราเองเป็นคนสอนตั้งใจสอนถ้าเราเองเป็นพ่อแม่ตั้งใจเลี้ยงลกูกถ้าลูกทำอย่างนั้นเราจะมีความรู้สึกอย่างไรคืออากตันโยไม่รู้คุนหาว่าพ่อแม่ไม่ได้ตั้งใจสร้างให้เกิดหาครูบาอาจารย์มาจ้างเพียงแค่ครับเพาต้องการครําสอนอย่างนี้ความสะเทือนใจมันก็มีกับเขาถ้าเรายอมเขาถ้าเขายอมรับนับถือเราเคารพเราเราก็มีความสุข ่างนั้นพระพุทธาจ้าจึงได้ส่งแนะนำว่าอารมใจอย่างนี้จงอย่ามีแก่คนทั้งโลกให้รู้จักบูชาคุณความดีที่ยอมรับนักถือค ว, ความดีเขากวกคนผู้มีความดีต่อจากพ่อแม่ครูาอาจารย์ก็เป็นคนทุกท่านจะเป็นใครก็ตามที่เขาสามารถเกื้อกูลเราให้มีความสุข ถ้าเราไม่มีอาหารเขาให้อาหารกินเราไม่มีผ้านุ่งเจอหม่มเขามีมีผ้านุ่งพอหม่มเ้ า, ามาให้เราไม่มีค่ายอดยานพานะเขาจ่ายให้ในอย่างนี้เราจะมีความสุขเราจะมีความทุกข์ในเมื่อคุนมีคนประคับประคองเราเราก็มีความสุข จีบิกของเราจะทรงขึ้นมาได้เพราะอาศัยเกอกาอนเกิอกลุ่มนาหลายเหล่านี้แต่คนประเภทนี้เราควรบูชาไหมคำว่าบูชาหมายที่การยอมรับนับถือเราก็ต้องบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยกย่องตัวอย่างคนที่เป็นยอดกตัญญูในเขตพระพุทธศาสนาคือท่านประสารีบุตร เวลานั้นท่านราธาพรามท่านเป็นฆราวาสเป็นคนแก่มาอยู่ในสำนักของพระพุทธเจ้าสามปีองสมเด็จพระินาสีทรงทราบแล้วก็เฉยๆฉยแต่วันนีสารเห็นความดีของราธาพรามี่จิตใจเข้ามาคบหาสมาคมกับพระมีจิตชุ่มชื่นไปได้รมเห็นว่าจะบรรลุมรรคผล อง ส, สสงสมเด็จพระทศพลยังได้ทรงเสด็จตามไปเสเด็จไปบริเวณรอบรอบพิหารพระบรรดาพระทั้งหลายก็ตามไปเมื่อราทัพรามเวลานั้นเอาข้าวล้างบาตรตอนเย็นล้างบาตร่าน้าล้างมเทเหพระเดเจ้าเห็นข้าจึงหยุดถามว่าพรหมมายูนได้ยังไงความกินทันสม รามก็ตอบว่าข้าพระพุทธเจา้าเป็นคนแก่ลูกหลานเขาไม่เลี้ยงถ้าเห็นว่าเป็นคนแก่ไม่มีที่กินที่อาศัยจึงมาอาศัยพระกินดูดูแต่ลูกหลานของพระนี่มันอักตัญโยไม่รู้คนคนจริงๆมันลืมคิดไปว่าทรัพย์สินที่มีในบ้านราทา พ, พราเมปม็นคนสร้างขึ้นชีวิตและเลือดเนื้อที่มันมีขึ้นมาได้ก็เพราะอาศัยราทา พ, พระเป็นคนสร้าง แต่พรอราธาพราหมณ์ไปคุ้นแก่มันไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงแล้วก็ขับไล่สายส่งออกจากบ้านต้องมาสายพระพระอาศัยที่พระพุทธเจ้าสอนให้มีความเมตตามีความสงสารยิย่งรับราธาพราหมณ์ไว้ในอุปการะถ้าลักษณะของท่านโดนข้าแบบนี้ท่เห็นว่าดีโดยชั่วเป็นเรื่องของท่าน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 พระรามผู้นี้มีคุณกระเทือมอะไรพระสารีบุตรจึงกราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรยว่าพระรามผู้นี้มีคุณแก่ข้าพระพุทธเจ้าเมื่อสามปีก่อนโน้นพรรามยังอยู่ที่บ้านข้าพระพุทธเจ้าเคยไปเป็นบิณฑบาตพระรามนี้เคยให้ข้าวแก่ข้าพระพุทธเจ้าทัพงีนหนึ่งพระเจ้าข้า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 ที่สอนไว้ว่าทุกคนจะมีความรู้รู้จักความกตัญญูรูค้คนพระสารีบุตรพระโตองค์ท่านปฏิบัติตามนั้นให้ข้าวทั้งพีนหนึ่งท่านถือว่ามีคนดังนั้นพระสารีบุตรจะไปทานไหนก็ตามทีจึงเป็นที่ยกย่องสรรเสริญเข้ารรดาพระในประชาชนทั้งหลายว่าพระสารีบุตรนี่เป็นจอมกตัญญูรูค้คน การไม่ว่าใครแม้ต่ราษฎรตามหรือไม่ใช่ก็ตามเมื่อใครใส่บาตรให้แก่ท่านสงเคราะห์ท่านให้สถานที่อยู่ที่อาศัยพระศาสีาบุตรไม่ลืมคุณยังเป็นที่ยกย่องสรงเสริญของคนทั่วไปในความเป็นผู้กตัญญูรู้คุณไม่ลืมคุณคนก็คือเมื่อพระศารีาบุตรจะเข้ามาในเขตของพระพุทธศาสนา ได้ฟังทำย่อจากพระอัสสชิว่าเจธรรมาเหตุปปะปวาเตสังเหตุตุนตถาคตโยนิโรโทจะเอวังวาทีมหาสมันโนเรื่องแปลเป็นใจความชัดๆว่าทำใดเกิดแต่เหตุสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดเหตุของทำนั้นและความดับของทำนั้นสมเด็จพระมหาสมณเตรัสอย่างนี้ ท่านฟังทำเพียงเท่านี้ท่านมีความเข้าใจแล้วก็ตามพระสะาราสัชชีมาบวชในสำนักพระองค์สมเด็จตถาสมาสัพพตเจ้าเพียงรับคําสอนของพระสัชชิเพียงทานี้ท่านถือว่าพระสัชชิมีคุณกับท่านถ้าท่านทราบว่าเวลานั้นพระสัชชิอยู่ทางทิศไหนเวลานอนท่านหันทิศไปในทางนั้น ไม่ยอมเหยียดท้าไปทางที่ครูบาจารย์อยู่เป็นเพียงทราบข่าวเพราะพระสมัยก่อนไม่ได้อยู่รวมกันเมื่อสําเร็จอันดาหันก็ต่างคนต่างแยกกันไปท่านทราบข่าวว่าพระสัชชิโยนทางทิศใต้ท่านนอนทางทิศตะวไปทางทิศใต้ถ้าอยู่ทางทิศเหนือก็นอนทานทิศตะไปทางทิศเหนือและคนทุกคนก็สรรเสริญว่าท่านดีในเวลาการหนึ่งก่อนที่ท่านจะนิพพาน ลูกทุกคนของแม่คือในตะกูลภระสานิบทมีพี่น้องในการเจ็ดคนทุกคนเป็นพระอาหารหันต์หมดแต่แม่เป็นมิชชาทิฏฐิเวลาที่จะนิพพานท่านลาองค์สมเด็จพระจิตตมานปฏิบัติไปนิพพานในห้องที่แห่งเกิดเพื่อหวังจะโปรโดมารดา และในที่สุดจะสามารถพูดยาให้คำแนะนำจนทั้งมารดามีความเลื่อมใสยอมรับนับถือคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรคือได้ประสูดาปฏิพลนี์จนเเห็นว่าพระสารีบุตรเป็นยอดคนผู้ตั้งอยู่ในความกตัญญูรู้บคุบคคลบุคคลที่สามีคนฉะนั้นพระสารีบุตร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 ไม่ต้องการแจกครบร้อยเพราะคนที่มีคุณอย่างบินดาบรรดาครูบาอาจารย์ยังอกตันโยไม่รู้คุณได้ยังทำลายท่านได้ก็เขามีคุณอะไรสำหรับกับเราแล้วเราจะไปดีกับเขาได้อย่างไรนีรบ่บรรดาท่านผู้รับฟังทัานหลายการช่วยเหลือพระองค์สมเด็จพระจอมไตรคือพระพุทธศาสนาช่วยโลกท่านต้องช่วยกันคิด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 หากปรารถนาสิ่งใดก็ค่อยได้สิ่งนั้นสมความปรารถนาจงทุกประการสวัสดี